ทีมไหนมาก่อนนี Hello. ้บ่งแล้วมาก่อนเหมอเป็นไงภาวนาเป็นไงบ้างภาวนาเป็นยังไงบ้างช่วยนยเป็นมาเป็นอะรประมาณแล้วแล้วก็ที่โกรไ่เป็นรองอะไรก็ที่การ่ว่า เหมือนจริงจริงงานที่เราทำในอดีตเคยทำคือเก็บขังใส่ที่แล้วทำยากแต่ว่าเราทำทันทีไม่เก่งแค่เราไม่ได้ไปทแต่ ที่เราทำงานนะคือว่าเราทำงานที่เป็นอกุศลเนี่เราไม่ได้ทำทั้งวันเพราะนั้นเราแยกชีวิตเราเป็นส่วนๆซะส่วนไหนที่ทำเป็นอกุศลเราก็รู้ทันไปหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงแต่เวลาที่เหลือนะไม่ใช่เวลาอากุศลเนี่ยเร า, าก็จะ่เป็นนึกถึงมันนะนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลแทนคือถ้าเราไปเมาว่วา ทั้งหมดไปนับกุศลทั้งวันอะไร่งไม่ใช่ล้วเหมือนเรามีผ้าอยู่ผืนหนึ่งนะมีรอยเปื้อนอยู่หน่อยหนึ่งเราโมจะดูที่รอยเปื้อนเราไม่ดูผ้าทั้งผืนซึ่งมันไม่เปื้อนมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับรอยเปื้อนอันเดียวจิต ใ, ใจเศ้าหมองเพราะนั้นคอยรู้สึกไปนะแยกชีวิตเป็นส่วนๆ น, นะส่วนใดอย่างเวลาเราทําผิดศีลเวลาผิดศีลเราไม่ได้ผิดทั้งวัน แต่ถ้าชาวประมงนะถ้าเขาฉลาดนิดนึงย่างตอนเขาจับปลานะอาปุส น, นแน่ๆละ่ะอัมบ่าต่เวลาที่เขายังไม่ได้จับถ้าทำสติไปจเจริญปุสนไปมันก็ได้บุญไปคนละส่วนกันเนี่ยไม่ได้ทำอาปุศลทั้งวันใครมาต่อไปนุชรัตแต่คนนี้ไม่ต้องก็ได้เสียงดังได้ใหม่เดี๋ยวจะคุยยาว กิดขนว่าเวลารู้ไปลกะมพร้อมกันจิตขณะนี้เป็นยังไงแ่งอะเออ่งก็แข่งสินะบอกว่าแย่เนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรทำไมเกร็งอะใจมันอยาก คือการเกรงที่ใจมันเกรงขึ้นมาก็คือมันทำกรรมบางอย่างขึ้นมากรรมที่มันทำมันเกรงเบื้องหลังการที่มันทำนี้ก็มีตัณหาอยู่เบื้องหลังนะมีความอยากอยู่เบื้องหลังอยากให้มันดีอยากจะมีสติอยากจะรู้สึกตัวอยากขึ้นมาก็เกรงขึ้นมาใช่ไหมจิตเมื่อไหร่อยากขึ้นมานะก็ลงมือทาลงมือทำก็ หนักหักแน่นแ่นแข็งแข็งึงๆึงทื่อขึ้นมาตรงที่มันเกงหนักหนักแน่นแน่นเนี่ยอัดไหมเกลียดมันไหมเกลียดมันนะจ๊ะน่าสงสารนะชินกับความทุกข์ยากก็ดีแล้วนะใจไม่จมลงไปในก้อนทุกข์นี้ก็ดีแล้ว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 ไม่โมนัสทุกทีหรอกนะทุกทีก็เป็นอุเบกขาแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลเนี่ยจะมีโทมนัสอกุศลตระกูลโทสะนะอกุศลตระกูลโลภะราคะอะไรนี่ก็ไม่โทมนัสเรามีความสุขได้เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจริงมันตัวปลอมที่เจ็บปวดเอาไว้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 แข็งแข็งชื้อมันเป็นวิบากเกิดจากการกระทำกรรมคือความจงใจจะไปบังคับมันเบื้องหลังความจงใจคืออยากอยากสงบเบื้องหลังอยากสงบคือเอาวิชาไม่รู้ว่าจิตไม่ใช่เราเรายึดถือสำคัญมั่นหมายายึดถือเอาไว้เราอยากให้จิตมีความสุขก็เลยเกิดการกระทำปรุงแต่งไปกุศลขึ้นมา เป็นกุศล น, นะรูปแต่งใส่กุศลแต่ว่าเป็นโลคิยะกุศลห้ามมันไม่ได้หรอกนะคือว่าสมถะเคล็ดลับของการทําสมถะต้องทําให้มีความสุขนะถ้าใจของเรานึกถึงอารมณ์ใส่กุศลนั่นใดแล้วมีความสุขเราก็นึกอันนั้นแหละว่าอารมณ์ของสมถะแค่อารมณ์บัญญัติง่ายนึกถึงเรื่องราวที่เป็นกุศลเพื่อจิตใจมีความสุขก็ใช้ได้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 ความสงบก็เป็นปลายถาแล้วซับกับหัวกับหางทำมาตลอดนะเราคิดว่าถ้าสงบเราจะสุขถ้าใจไม่มีความสุขมันไม่ยอมสงบหรอกแล้วไงแารสุรวัตก็ดีแล้วนะ ความสงบเป็นเจตสิกเป็นตัวสังขารใช่ไหมใจที่ไป ร, รู้นี่ก็เป็นตัวจิตที่ไปรู้มันคนละตัวกันร่างกายก็อันหนึง่งเวทนาก็าอันหนึง่งตัวความรู้สึกสงบก็อีกอันหนึง่งตัวที่ไปรู้ก็อีกอันหนึง่งแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งมาเกิดทีหลังเองรู้ว่าเมื่อกี้รู้ตัวอีกแล้วนะจะตอนไปไม่ยด้ต้องไง อนนี้โดนสะจนแล้วาจารย์สุวัสดดูไปเรื่อยๆจิตมันมัวนิดหนึ่งรูออกไหมมันมีโมหันนิดหนึ่งรู้ว่ามีโมหันฝนเป็นไงฝน คือมนะันต้องหลุดเองนะไม่ใช่จงใจปล่อยจงใจปล่อยไม่หลุดหรอกจิตอยากผูกสลจิตมีโลภอยากปล่อยจิตไม่ชอบความทุกข์นี่งมีโทสะยวดีแล้วล่ะนะภาวนาได้ดีอาจารย์ปู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 นั่นแหละนะมันเริ่มเดินปัญญาแะการที่ใจเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเบื้องหลังของมันคือโลภเจตนาไม่ใช่เจตนาธรรมดาเราเกลือด้วยโลภเนีย่ยเรียโลภเจตนาเช่นอยากสงบก็เลยไปเพ่งไว้ในขณะที่เราไปเพ่งด้วยความอยากสงบเนี่ยความอยากสงบยังดํารงอยู่นะเพราะฉะนั้นสติตัวจริงจะไม่เกิดเลยเพราะอกุศลคือโลภเจตนากําลังเกิดอยู่ ฉะนั้นทำยังไงมันก็จิตใจไม่เป็นครูสอนเกลื่อนอัดจิตที่เป็นครูสอนมันจะนุ่มนวลมันจะเบามันจะอ่อนโยนต้องแพร่ว่องไวนะพวกเราทลาดเพราะนั้นเราไม่ค่อยเรียนเรื่องจิตกันบางคนมาประกาศเรื่อยๆไปว่าต้องเรียนเรื่องกายก่อนนี่ไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหลักสูตรของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าไตรสิกขา บทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาเรียนว่าทํายังไงจิตใจของเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเสลสครอบงำํำก็ต้องมีสติเมื่มีสติเวลาตาหูจมูกลิ้นกายแตกกระทบอารมณ์มีสติเนี่ยอกุสลจะครอบงําใจไม่ได้มันจะมีศีลที่เรียกว่าอินเสียสังวรศีลศีลไม่ใช่อยู่ๆก็ไปขอไปจากพระนะขอแล้วก็ลืมๆแล้วบอกว่ามีศีลใช้ไม่ได้หรอกศีลต้องมีอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะว่าเรามีสตินี่ต้องเรียนนะ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 เราก็จะมีจิตที่พร้อมกับการไปลงมือปฏิบัติในเจริญปัญญาเราก็ต้องใช้จิตที่พร้อมกับการเจริญพร้อมจะเจริญปัญญาไปเจริญปัญญาคราวนี้จะรู้กายหรือจะรู้จิตก็ได้ละตรงนี้เวลาเจริญปัญญาเขามีรู้กายกับรู้จิตจะรู้ว่าไหนก่อนก็ได้ในสติปัฏฐานสี่นะบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมนะแดนหนึ่งก็ได้อีนนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้ นี่บางคนคิดว่าือศีลเสร็จแล้วก็ไปทําสมาธิเรียกว่าจิตสิกขาจิตสิกขาไม่ใช่แค่ไปทําสมาธินะจิตสิกขาเนี่ยเราเรียนรู้ลักษณะของจิตเรารู้อะไรจิตชนิดไหนมันกาลังทำสมถะจิตชนิดไหนมันจเจริญปัญญาจิตชนิดไหนมีสติอย่างเดียวจิตชนิดไหนมีสติปัญญาไม่เหมือนกันนี่เวลาเราทํา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 ธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกเนี่ยสติเป็นคนไปนรู้นะปัญญารู้ความเป็นจริงของเขารู้ลักษณะของเขาว่าไอตัวที่หายใจอยู่เนี่เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่มีตัวเรามีแต่วัตถุที่กําลังกระเพื่อ ม, มกระเพื่อมอยู่นี่เรียกว่ามีสติมีปัญญานะแตมันจะเห็นในกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างนี้เปจะเรียกว่าวิปัสสนา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 มักมีหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างโดยเฉพาะตัวที่เราใช้ลงมือปฏิบัติเนี่ยตัวสติสมาธิปัญญาตัวสําคัญถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะสัมมาวาจามันก็ดีเองแหละสัมมาชีวามันก็ดีเองเนะ่ะะสัมมากัมมันตามันก็ดีเองการที่มีสติอยู่นั่นก็คือมีความเพียรชอบสัมมาวายามันก็เกิดอยู่ล้วเพราะงั้นขอให้มีสัมมาสติถูกต้องเนยสัมมาอื่นๆจะเกิดอัตโนมัติ เกิดตโนมัติแต่ถ้ามีสติอย่างเดียวไม่ใช่สัมมาสมตินะสัมมาทิฏิสัมมาสังกัปปะอะไรนี้ไม่เกิดรอกครับคุณผู้หญิงถัดมามันไม่ดียังไงลงนอยานเออหลงนานไม่ดีนะหลงบ่อยดี <c oughs> รู้สึกไหมเราบังคับตัวเองอยู่ตอนนี้ย อยกลัวหลงนะพอเรากลัวหลงแนะเราก็เลยไปดึงเอาไว้ก็ดึงเอาไว้ใจก็แข็งแข็งทื่อๆรู้สึกไหมใจแข็งทื่อตรงนี้ไม่ถูกนะ<จ>หนักหนั ก, ห น, กหนักนะจิตใจที่หนักหนักนะอับกุศลนะ <c oughs> ใจที่เป็นกุศลมันเบาแล้วไง <c oughs> ทําไม่ได้หรอก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 เที่ยวเขีนให้มันเกิดสัญญานะสิ่งทั้งหลายมีเหตุทั้งหมดนะหลวงพ่อเขียนไม่ให้อ่านนั่นในหนังสือทางเองนะไปอ่านเราเองพี่เจ็ดพูดแล้วเนาะ <c oughs> แล้วเป็นไงแล้ว่าเรื่องเียวีดเนี่ย กเนีเข้าใจตนว่า่งลาทีทีเดเดไประยทุกคะพะเห็นเป็นวนมันรู้สึกว่าดมันจะนี้ว่าันนกาเปลีของดที่มันนวายมากก็เาจดีล้ะ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 เออนั่นแหละเดินไปนะแต่ระวังแข็งเกินไปก็แล้วกันใจเริ่มแข็งเกินไป น, นิ ด, นนะดหนึ่งแล้วดูออกไหมแข็งเกินไปนิดหนึงนะ่งแลตั้งมั่นมากไปท่านติวสอนหน้าว่าในอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยตัวใดตัวนหนึ่งมากไปน้อยไปไม่ดีมี ส, สี่ตัวเดียวนะยิ่งมากยิ่งดีอย่างอื่นมากไปน้อยไปไม่ดีทั้งนั้นนะ่ะ ศรัทธามากไปก็ไม่ดีศรัทธาน้อยไปก็ไม่ดีสมาธิปัญญาความเพียรมากไปน้อยไปไม่ดีทั้งนั้นแต่สติยิ่งมากยิ่งดีคําว่าสติมากไม่ใช่แปลว่าเกิดสตินานนาสติเกิดแล้วก็ดับทีล่ลักษณะสติมากหมายถึงเกิดสติบ่อยๆสติเกิดบ่อยเพระจิตจําสภาวะได้มากอย่างเรารู้ว่าเผลอเป็นไงพอใจเผลอแวกมันก็ตื่นขึ้นมาแะ เรารู้สภาวะให้เยอะเราจําสภาวะได้มากเพราะเราหัดดูบ่อยๆหัดรู้กายเนืองเนืองก็จะจําสภาวะของกายได้รู้จิตเนืองเนืองก็จะจําสภาวะของจิตได้ดีแล้วนะแม่งวันมัดดีเลยยุ่งจริงๆเลย <c oughs> เดี๋ยวพูดๆแล้วเข้าปากไปเลยแย่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวไม่มีใครประเคียนสันเข้าไปอาบัต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 แล้วดีแล้ ว, ด, ลวดูไปอย่างนี้เลยแต่ดูไม่ใช่เพื่อเอาอันใดอันหนึ่งหรือปฏิเสธอันใดนหนึ่งนะเราเห็นสภาวะทั้งหลายเพื่อจะได้เห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับไปล้วนแต่บังคับไม่ได้ต้องการแค่นั้นนะ แ ท, รรทแท้จริงแล้วอย่างการที่เราพยายามฝึกจิตไม่ดีฝึกจิตให้สงบเนี่ยเพื่อสนับสนุนอัตตาตัวตนนั่นเองถ้าเรารู้ไม่ทันมันค่อจะหลงไปเลยถ้ารู้ทันไม่มีปัญหาความปรุงแต่งฝ่ายกุศลทั้งหลายนะั่นแหละก็สนองอัตตาตัวตนเช่นเดียวกับความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเพราะฉะนั้นที่เราเคยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งเรารู้ว่ากายนี้แต่นี้ไม่ใช่ตัวเรานะทางรอดอยู่ที่ตรงนี้นี่นัปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะไม่เคยเห็นเลยว่ากําลังปรุงแต่งกูงสนอยู่กํนะาลังพยายามควบคุมกายควบคุมใจนะอย่าว่าแต่จะเห็นลึกลงไปถึงเบื้องหลังเลยเบื้องหลังก็คือจะสนับสนุนอัตตาตัวตนนั่นเออยากให้ตัวกูมีความสุขนั่นแหละดีที่เห็นนะค่อยๆรู้ไปแต่อย่าริคิดนะ ไปนั่งคิดเอาแหมพิจรารณาไปเรื่อยไม่ดีอะใครจะคุยต่อเพื่อสนเพื่เหลือคุยยังคุยกันแล้วนะหลวงพ่อจําไม่ได้หรอกับแล้วก็เลิกกันเลยครับคุณผู้ชายเนี่ยเวลาหลวงพ่อจะให้ไมโครโฟนใครหลวงพ่อต้องดูก่อนมันบางคนเป็นโรคที่จับไมโครโฟนแล้วพูดไม่เลิกอนเนี้ยจะไปแย่งคืนก็ยากนะจะวิ่งลงไปแย่งก็ลําบากเพราะงั้นใครอย่พูดอยูหลวงพ่ออย่าพูดยาวนะ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 เป็นบาวับาันจะาานไใ้เดามณคะระวันก็คนนันเคฝึกกรรมฐานไหมเดี๋ยวฝึกมาแบบไหนล่ะเดี๋วทำ คือสติของเรายังไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆนะสติตัวจริงยังไม่ได้เกิดขึ้นนะเดีย๋ยวค่อยๆฟังหลวงพ่อไปก่อนอย่างตอนนี้รู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเองนะเราตั้งใจจะมาฟังหลวงพ่อพูดใช่ไหมแต่ว่าในขณะนั้นเราลืมตัวเราเองไป ต, ตอนที่เล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อกี้รู้สึกไหมเราก็ลืมตัวเราเอง เราหัดเนี่ยอยากพูดขึ้นมาเราก็รู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันสภาวะไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆการปฏิบัติเบื้องต้นไม่มีอะไรมากหรอกคอยรู้สภาวะไปร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้อย่าใจลอยจิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไว้เนี่ยใจลอยแวบๆไปแล้วรู้สึกไหมแล้วก็จะแอ บ, บไปคิดดูออกไหมเนี่ยเหลอไปคิดแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองไหมลืมกายลืมใจ เมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่นั้นเรียกขาดติละนะขาดสัมมาสติเย ใ, ใจลอยอีกแว๊บหนึ่งแล้วทราบไหมเดี๋ยวฟังไปก่อนนะอะเตรียมรับพรเนานะเยะถาวาริวหาปุราปริกุเรนตรีสากรางเงวเมวายโตทินังเปตานังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิพเมวาสมิตสตุ สัพเพปูเรนตูสังกัปาะจันโตปัณราโสยะธามณีโชติราโสยะาสัพพีติโอวิวัชจันโตสัพพโรโควินาสตตมาเตควัตวันตรายโยสุขีทีคาอยุโกภวาอภิวาสนาสีลิสเนจังุชาปจายโนจตตารุธรมาวันฐีอายุวันโนสุขัง พะลังพวตสัพพังค์กะลังรักขันตุสัพเท ว, วตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธสพธรรมานุภาเวนะสัพพสัง n านุภาเวนะสดาโสตีปวันกุเต